สวัสดีเวลานี้หลวงพ่อก็อยู่ที่แคนาดามันก็เป็นประสบการณ์ประหลาดในระยะสิบปีที่ผ่านมาเห็นอารโอรา่าเขาเรียกว่าอารโอล่ามันเป็นแสงเหมือนเหมือนรูงกินน้ำแต่ว่า มันเป็นในเวลากลางคืนแสงอะโร ล, ล่าเนี่ยมันเป็นสีเขียวกับสีขาวปนกันแล้วมันจะเกิดตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างเนี้ยเกิด ม, มาประมาณสักสิบปีบางทีมันก็พาดหลังคาวัดบางทีมันก็พาดหลังคากุติแล้วบางทีมันก็เข้ามาใกล้ๆมือเกือบจับได้ เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันก็เป็นปรากฏการพิเศษคนทั้งหลายตามคนก็ต่างอยากจะได้พากันมาเห็นอโรราเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้เห็นง่ายๆแต่หลวงพ่อก็ได้เห็นมาตั้งสิบปีเวลานี่มันก็หายไปแล้วไม่เห็นมีปรากฏมันคงไปเกิดที่อื่นอย่างไรก็ตามในขณะนี้ หลวงพ่อกําลังอธิบายถึงเรื่องมงคลล่าสุดมงคลล่าสุดก็เข้ามาถึงขั้นสูงแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงขั้นพื้นฐานมาตั้งแต่ต้นที่หลวงพ่อได้อธิบายมาตามลําดับนั้นก็เรียกว่าพื้นฐานของผู้ที่อยู่ในชีวิตปกติธรรมดา แล้วก็ควรที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นเพื่อที่จะได้เป็นมงคลแก่ตนแต่เมื่อมาถึงบทนี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงมงคลที่ชั้นสูงเรียกว่าตะโปจะพระมัจจริยาจะมาสองข้อนี้สองข้อนี้แสดงให้เห็นถึงว่าตะโปแปลว่าการแผ่เผากองกิเลส พระมั จ, จริยาจะแปลว่าการประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้นั้นจะต้องกล่าวถึงเรื่องสมาธิจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อเป็นมีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วสมาธินี่จะทำให้เกิดพลังจิตพลังจิตนี่จะทำให้เกิดกระแสจิตกระแสจิตนี่จะทำให้เกิดยานเกิดฌาน ซึ่งที่จะมีการพัฒนากันตามลําดับทีนี้เมื่อมาถึงตโปจะเทพพระองค์ได้ทรงแสดงว่าแผดเผากองกิเลสพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเอโกอายังพิกเวมัโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางที่จะเป็นทางพ้นทุปมีทางเดียวเท่านั้นมีทางเดียวก็คือการแผดเผากองกิเลส เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่จะแผดเผากองกิเลสได้นั้นก็จะต้องหลีกตัวของตนที่จ <c oughs> อยู่ในระดับการคองเลือนท่านจึงแสดงพรหมจรรยาจะไว้เป็นข้อต่อมาพรหมจรรยาจะนั่นคือพระพุทธภูมิจรรย์หมายความว่าไม่หมกมุ่นอยู่ในการมมุณและถ้าหาพวกเป็นขรวาส ก็มารักษาศีลแปดเาเรียกว่าพรหมจรรย์หรือพระภิกษุสามเณรก็เป็นผู้ที่ออกจากบ้านเรือนเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์การทีจะประพฤติพรหมจรรย์ได้นั้นก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นมีจิตใจเข้มแข็งพร้อมแล้วที่จะสละกิเลสพร้อมแล้วที่จะพาตัวของตนให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้น การที่จะปฏิบัติเพื่อละกิเลสนั้นจึงต้องมีความเพียรที่แข็งกล้าหรือจะมีความอดทนที่แข็งกล้าหรือจะมีความเพียรที่แข็งกล้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงถึงว่าวิริเยนรุคมัจเจติการที่จะร่วงทุก์ได้เพราะความเพียรในความเพียรแผดเผานั้นเราจะสังเกตได้ว่า เมื่อเวลาคนที่มาทำสมาธิก้าวถึงสู่วิปัสนาเขาจะมีจิตใจที่ทวนกระแสะโลกโลกบอกว่าสิ่งนี้ เ, เป็นสิ่งที่ดีแต่กระแสะของวิปัสสนาก็ทวนกระแสะโลกว่ามันไม่ดีการคลองเรือนบอกว่าดีแต่ทวนกระแสะโลกบอกว่าไม่ดีก็ต้องออกจากบ้านเรือน หรือว่าทรัพย์สินสมบัติเป็นสิ่งที่สมควรจะหาได้เป็นควรที่จะเป็นบุคคลที่มั่งคั่งหรือว่ามีเงินมีทองมีข้าวมีของแต่มาถึงวิปัสสนาแล้วบอกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเขาเรียกเป็นงูพิษอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนกระทั่งเอ่อท่านตรงแสดงว่าอิทธิบังพระมัจจริยศ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหญิงเป็นบนทินแห่งพรหมจรรย์เพรที่บวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นสามเณรออกจาบวชแล้วก็เรียกว่าพรห ม, มจรรย์จะก็จะต้องเลิกล้มเรียกว่าแผดเผาแต่จิตของคนเรานั้นมันมีกิเลสอยู่สามกองที่มันหมกมุ่นอยู่ในจิตใจก็คือราคะโทสะโมหะ ราคาความกุมนัดจินดีโทษสะความโกรธโมหะความหลงสามตัวนี้เป็นตัวที่นอนเรื่องอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นคําว่าต ะ, ปะโปจะตัวนี้จึงถือว่าจะต้องแผดเผาทั้งสามกองนี้ให้เสร็จทิ้นไปจะเป็นราคาก็ต้องต่อสู้จะเป็นโทษสะก็ต้องต่อสู้จะเป็นโมหะ ก, ก็ต้องต่อสู้ซึ่งพระองค์ไดแ้แสดงว่าราคาขีนา ความก็นตันจริงดีเป็นกองไฟอันหนึ่งโทอร์สักเคนาความโกรธเป็นกองไฟอันหนึ่งโมหักเคนาความหลงเป็นกองไฟอันหนึ่งนี่เมื่อเป็นกองไฟแล้วมันก็จะต้องเป็นการที่เผาผลาญ เ, เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต่อสู้ก็พวกนี้ได้นั้นก็คือ น, อน้อมจิตของตอนเข้าไปสู่วิปัจนา แต่การที่จะเป็นวิปัสนาได้นั้นต้องมีพลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตแล้วจะไปเจริญวิปัสนาเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จเหมือนกันก็คนไม่มีเงินมีเงินหรือมีสักร้อยบาทสองร้อยบาทต้องการอยากได้รถเบนซ์สักคันหนึ่งห้าล้านสิบล้านแล้วมันจะไปซื้อได้อย่างไรมันก็ซื้อไม่ได้ต้องการรถแบนซก็ต้องมีเงินเป็นหลายล้าน เหมือนกันแค่การดำเนินวิปั ส, สนาจำเป็นต้องมีพลังจิตพลังจิตเปรียบเหมือนกับเงินเมื่อมีพลังจิตแล้วก็สามารถที่จะเผาผลานเคเล็ดพจน์นี้ได้เมื่อพลังจิตมันก็เกิดกระแสจิตกระแสจิตมันก็เกิดยานยานก็เรียกว่าวิปั ส, สนาญาณอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเทศมาถึงระดับงานชั้นสูง เมื่อได้ดับงานชั้นสูงเช่นนี้เพราะองค์จึงได้แบ่งการมงคลไว้อยู่ในขั้นพื้นฐานธรรมดาที่อธิบายมาแล้วในบัดนี้ต่อไปก็จะได้อธิบายให้เกิดความกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะว่าในการอธิบายหัวข้อธรรมะสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายนั้นก็จะได้อธิบายมาให้มากเกินไปในขั้นนี้ก็ให้รู้ว่า การแผดเผาการแผดเผาตะโปตป่าเนี่ยแปลว่าการแผดเผาแผดเผาอะไรก็แผดเผาไรคะโทสะโมหะที่มีอยู่เมื่อมันมากก็บรรเทามันลงไปบรรเทาลงไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าตะโปจะเพราะฉะนั้นเมื่อมาขึ้นต้นชั้นสูงพระองค์ก็ใช้คําว่าตะโปจะพระมจะริยาจะอะไรอย่างเนี้ย อแล้วก็จะมีการที่จะอธิบายให้กว้างขวางเพิ่มเติมต่อไปในขั้นนี้ก็ให้รู้เพียงว่าเมื่อเราจะทําตะโพวจะคือการแผดเผากองเกลืให้เกิดขึ้นเราต้องมีกําลังกําลังต้องเกิดจากพลังจิตพลังจิตต้องเกิดจากสมาธิสมาธิต้องเกิดจากความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งต้องเกิดจากการบริกรรมสวัสดี สาตว